เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะใครจะถามเชิญเลยมีไหมเราจะได้พูดให้มันเข้าประเด็นที่เราอยากรู้ที่เราติดขัดพระอาจารย์ขอรับ เรารู้การเคลื่อนไหวรู้รู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะถึงมรรคผลนิพพานอย่างไรครับคือตอนนีเ้เรายังรู้สึกว่าเป็นการเคลื่อนไหวต่อไปมันจะเข้าใจว่ามันคือสักแต่ว่ารูปรูปคือเนี่ยในร่างกายนี้ที่จริงร่างกายมันก็จะไม่ใช่รูปมันจะอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรูป บางทีเราเรียกที่แปรว่ากายมันก็รูปปันหนึ่งเสียงก็รูปปันหนึ่งกลิ่นรสต่างๆเนี่ยคือรูปั้างนั้นแหละซึ่งมันจะเข้าใจว่าเนี่ยสักแต่ว่ารูปนะในกายนี้ก็ดีหรือจากที่ว่าเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยก็คือรูปข้างนั้นมันจะเห็นเนี่ยสักแต่ว่ารูปรูปคือสิ่งที่มันถูกรู้ รูคือเป็นเพียงแค่อาการที่มันแสดงมันอยู่บนโลกนี้เท่านั้นเองนี่คือมันจะถอนความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราเพราะพอเราเห็นว่ามันเป็นรูปเราก็จะยอมเป็นเรื่องของรูปเมื่อเกิดความทุกข์ในรูปนี้มันก็คือรูปมันเป็นทุกข์มันจะไม่หลงไปยึดว่าเราเป็นทุกข์นี่คือเมื่อเราเห็นรูปเป็นแบบนี้เห็นนามธรรมก็เหมือนกัน แต่ก่อนมันเราจะเรียกชื่อว่าเป็นอารมณ์บ้างเป็นความคิดบ้างเป็นความรู้สึกบ้างแต่มันก็ง่ายมากที่จะกลายเป็นเราเราสุขเราทุกข์เราสงบเราฟุ้งซ่ า, านเราคิดดีเราคิดไม่ดีแต่เมื่อเราเห็นมันเกิดของมันเองแล้วมันรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวรู้มันเป็นคนละอันกัน จะหาควาเป็นเราไม่มีทั้งสองอันตัวอาการที่เกิดขึ้นก็เป็นอาการของมันตัวรู้ก็เป็นอาการที่รู้เฉยๆของมันมันไม่มีเราในทั้งสองอันนี่แหละคือตัวมรรคผลนพิพพานจริงๆก็คือตัวที่มันไม่มีเราทั้งในรูปทั้งในนามนะเพราะว่าแต่มันก็เป็นการเข็นอย่างยังมีสติปัญญาจริงๆนะไม่ใช่การ พยายามจะคิดให้ให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นการเห็นจนจิตมันมันเกิดการยอมรับเกิดการเชื่อจริงๆนะถึงว่าตัวใจตัวจิตตัวใจมันเชื่ออย่างที่มันเห็นจริงๆไม่ใช่การคิดแล้วการปฏิบัติก็คือการที่เราพยายามดูซ้ำบ่อยๆเห็นบ่อยๆเหมือนทวนบ่อยๆดูบ่อยๆวันนี้มันยังไม่เชื่อก็ดูไป สิบปียี่สิบปีบปตัวทั้งจิตมันเริ่มเชื่อในความจริงตรงนี้แหละนั้นที่จริงจะดูปฏิบัติวิธีไหนก็แล้วแต่ก็คือเพื่อนําไปสู่การเห็นรูปเห็นนามอหรือวิปัสสนาที่เราแยกรูปแยกนามก็คือมันที่จริงมันก็แยกถ้าเราปฏิบัติแบบเจริญสตินะก็จะเริ่มแยกแต่ตอนแรกเลยแหละเพราะว่า เช่นร่างกายมันเดินใจเป็นผู้รู้ร่างกายมันยกมือไม่ใช่ไปดูมือนะที่จริงไม่ใช่ดูมือไม่ได้ดูการเคลื่อนไหวแต่จริงมันดูมันดูที่รูปนั่นะร่างกายมันยกมือแต่จริงมันเห็นเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวรูปที่มันหยุดนิ่งรูปที่มันเป็นพุกรูปที่มันเป็นก้อนเป็นวัตถุเป็นปดังงานที่มันเกิดขึ้นมา พอเห็นหมดนะอันนี้คือตัวหนึ่งใจที่มันรู้ทันรูปทีละขณะไปเรื่อยตัวหนึ่งมันก็แยกรูปแยกนามตั้งแต่ตอนแรกแล้วบางทีเราไปคิดว่ามันจะแยกตลอดเวลาหรือว่ามันต้องแยกชัดตลอดบางทีก็ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นคนละอันกันคนละอันกันแค่นั้นรวมทั้งต่อไปเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์มันก็มันเป็นของมันเองอ่ะมันรู้สึกว่ามัน มันจะเกิดความรู้สึกว่ามันมันห่างออกไปจากศูนย์กลางคือใจจริงๆมันเป็นอาการหนึ่งที่มันเหมือนเข้าไม่ถึงใจมีความคิดอยู่นะแต่มันรู้สึกว่าความคิดมันไม่ได้ออกมาจากใจความคิดมันอาจจะออกมาจากสมองหรืออารมณ์ก็เหมือนกันมันก็อาจออกมาจากบางส่วนแต่มันไม่ใช่ตัวใจจริงๆที่มันเป็นอย่างนั้นมันจะรู้สึกถึงความห่าง ความไม่ใช่ของมันพระอาจารย์ครับผมรู้เรื่องความคิดอะไรอย่างนี้คราวนี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อความคิดมันจบแล้วถ้าช่วงไหนสติไว่คิดปุ๊บก็รู้ปับ๊บมันก็จะจบเองครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถทับซ้ํากันมันแยกกันมันจะตามหลังกันแต่ไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้เหมือนกับการรู้กาย ใช่แล้วอย่างนี้เวลาทำงานอย่างนี้ครับที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลาบางทีมันมันจะเป็นช่วงที่เราหลุดเข้าไปในความคิดเยอะมากๆแล้วก็กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีมันก็หมดไปค่อนข้างเยอะมากแต่ถ้าเป็นงานบางทีเราไม่อาจจะไม่ได้เน้นการมีสติเนาะแต่มันเป็นเหมือนงานหดายๆอย่างเรา ตั้งใจคิดมาอาจจะเป็นสมาธิเราก็มันอาจจะเหมือนเขาไปอยู่ในในกระบวนการคิดแต่ให้เรามีสติตอนที่รู้ทันอารมณ์อะฮะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่คิดหรือขณะที่ทางานแทนสติจะไปรู้ทันตัวอารมณ์แต่ตอนที่จำเป็นต้องคิดก็คิดคือให้การคิดเป็นเหมือนเหมือนเป็นงานหลักของเรา แต่ให้เรารู้ทันตอนที่สิ่งที่แปลกปลอมจากความคิดเช่นความวิตกกังวลความเครียดความความดีใจอะไรนะที่มันจะแทรกเข้ามาในขณะที่เราคิดพวกนี้ให้เรารู้ทันตอนนะั้นตอนนี้สติจะรู้ทันตัวนี้แต่สมาธิจะเข้าเอาไปใช้ในการในการคิดในการทำงานซึ่งมันก็จะเป็นคนละอันกันแต่ตอนนั้นคือเราใช้ความคิด มันก็จำเป็นเนะเาะไอ้มาก็ต้องใช้ใช้พู ด, ดยองทางมาก็ต้องใช้ใช้คิดในการตอบแต่แต่เราก็รู้ทันสิ่งที่มันแตกฟอร์มถ้ามันจะเกิดขึ้นในขณะที่เราต้องใช้มันแต่มันเร็วมากนะไอไมถึงว่าตัวคิดคิดปุ๊บรู้ปับ๊บคิดปุ๊บรู้ปับ๊บเนี่ยคือสติมันคมนะเป็นแบบที่หลวงพ่อเทียนะคิดปุ๊บรู้ปับ๊บเนี่ย แต่แรกๆคนใหญ่มันจะไม่ค่อยปั๊บต่อนะคิดไปพอตรงควรนะเราก็ค่อยรู้เหมือนยุงกัดนะจนคันจนเจ็บค่อยรู้ตัวมัน่ะแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นมันมันแค่เกาะปุ๊บเราดูทันก็ปัดออกได้หรือต่อไปมันเหมือนแค่ผิดปกติขึ้นมาเหมือนได้ยินเสียงมันมาแล้ะอ้าเห็นละมันก็เข้ามันก็เข้าไม่ถึงใจ อาจารย์ครับอย่างความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เนี่ยมันก็มีทั้งความคิดดีความคิดชั่วแล้วก็จะเกิดอารมณ์ตามใช่ไหมครับถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะไม่ชอบมันก็เป็นอีกนามธทําหนึ่งเราก็เห็นทั้งสองอย่างแล้วก็จบไปคราวนี้ถ้าเกิดทั้งความคิดดีและความคิดชั่วมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมครับเราเห็นว่าโอเคมันเกิดขึ้นเหมือนธรรมชาติทั่วไปแล้วก็ดับลงไปอย่างนี้มันก็ไม่มีบาปไม่มีมูล อย่างนี้แปลว่ามันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วมันก็ดับไปเราก็จะไม่เห็นมโนกรรมถ้าเราดูเฉยเฉยได้ก็จะไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญ <c oughs> ทั้งนั้นภาวนาจริงๆมันเป็นการเหนือกรรมนะกรรมมันจะสมบูรณ์ได้คือมีเจตนาอัง น, นั้นเมื่อสมมติมันคิดขึ้นมาปุ๊บเรามีเจตนาเข้าไปในความคิด ไอ้แบบนี้นจะจะเริ่มเป็นเป็นบุญหรือเป็นบาป ล, ละดังนั้นเวลามันคิดดีคิดไม่ดีตอนแรกเลยมันไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปแต่พอเราเริ่มเข้าไปมีเจตนาคือเข้าไปมีอารมณ์ร่วมพูดง่งยมีอารมณ์ร่วมในตรงนั้นแหละมันจะเริ่มเป็นเป็นบาปเป็นบุญ่ะพูดง่ายๆนะเหมือนเอาสมมติเราเราขอโทษเนาะ ว่าถ้าเราขอโทษอะ่ะพูดขอโทษเฉยๆนะมันมันไม่ได้มีอารมณ์อะไรนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นบาปหรือเป็นมูลนะแต่ถึงว่าแต่ตอนที่มันจะเกิดเป็นเจตนาจริงเราต้องมีอารมณ์เข้าไปร่วมเนะขอโทษขอบคุณอะไรก็แล้วแต่แ ต, แ ต, แต่แต่ในบางกรณีเราก็ต้องใช้ให้มันถูกกับเจตนาแต่ถ้าดําเกิดขึ้นในความคิดอะ่ะถ้าเราแค่รู้เฉยๆเนะ่ มันจะไม่เป็นกรรมเมื่อไม่เป็นกรรมก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นกรรมฐานที่เหนือเหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมดีเหนือกรรมไม่ดีต่างๆฉะนั้นเราบางทีเราไปกลัวว่ามันคิดไม่ดีหรือว่ามันเกิดอกุศลในจิตถ้าเราแค่เห็นมันเฉยๆนะ่ะมันไม่เป็นไม่เป็นบาปนะไม่เป็นบาปแต่แต่สิ่งที่ นักปฏิบัติจะดองก็คือบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีที่มันเกิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามเราก็อาจจะเกิดความไม่พอใจที่มันคิดอย่างนั้นเกิดความหรือบางทีเราก็เกิดความรู้สึกผิดที่ที่เราคิดอย่างนั้นเช่นคิดลบดูครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพ่อแม่อะไรนะคิดหยาบคายมันน่ะเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่ที่คิดอย่างนั้นแต่จริงถ้า ถ้าดูจริงๆจิตมันคิดของมันเองมันคิดของมันเองดูแบบนี้เรื่องนี้มันจะไม่เป็นกรรมเลยแต่กรรมจะมันมันจะสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อเกิดการกระทาเกิดการพูดเกิดการทำตามความคิดนั้นแต่ถ้าเรายอมรับในความไม่ไม่สมบูรณ์ในสติของเรานะมนหมายถึงว่า มันมีการเผลอไปบ้างเผลอเผลอทาตามมันไปบ้างะทาไปแล้วบางทีมันอาจจะเหมือนเ้าให้อภัยตัวเองนะเหมืนอนตั้งทักใหม่ก็มันพลาดไปแล้วเนาะอืมรู้ทันเอาตั้งสติใหม่เดี๋ยเกิดความเสียใจก็รู้ทันความรู้สึกที่มันเสียใจใหม่ก็ตามรู้มันอีกทีหนึ่งมันก็ ก็ต้องยอมรับว่าในขณะที่เรายังเป็นปู้ดชนขณะที่เรายังปฏิบัติเราก็ยังต้องหลงทำกรรมอยู่แต่ครนี้ถ้าเรามีสติมากขึ้นเน่เราก็จะทำกรรมน้อยลงนะไม่ใช่ว่าไม่ทำกรรมนะแต่มันจะน้อยลงคือเราจะไม่ไปยุ่งกับความคิดไม่ไปเป็นกับความคิดได้มากขึ้นแล้วก็ไม่หลงทำตามความคิดนะมันก็มันก็เลยกรรมมันก็เลยจะน้อยลง แล้วยิ่งถ้าเรามีสติปัญญามากขึ้นตัวบุญตัวความสุขเองก็เพียงแค่รู้เหมือนกันเพียงแค่รู้เหมือนกันนะไม่งั้นมันจะลายเป็นตายเป็นหนีทุกขหรือว่าไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีแล้วไปติดสิ่งที่ดีไปติดสิ่งที่สุขมันก็จะตายเป็นไปนติดอีกฝั่งหนึงเหมือนกันอะ น, นั้นควาว่าเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกเนะี่ย คือมันจะมีก็ได้แต่เราอยู่เหนือมันไม่ใช่ไปว่าเราต้องปฏิเสธนะเช่นเวลามันสงบเวลามันสุขเวลามันสบายเราต้องทําให้มันหายไม่ใช่นะแค่รู้แค่รู้ว่ามันมีอยู่พอรู้ว่ามันมีอยู่มันหายก็เรื่องของมันมันเกิดก็เรื่องของมันมันหายก็เรื่องของมันไม่ใช่ไปว่าเราต้องไปทําลายความสุขความสงบนะอืม ความคิดเองก็เหมือนกันถ้าเราวางใจเป็นการจริงคิดไม่ดีก็เรื่องของมันเราก็จะเกิดดับของมันเองงั้นตรงนี้แหละมันเหนือบุญเหนือบาปมันก็เลยเหนือการการไปยึดติดในภพภูมิเนาะเมื่อก็เห็นแบบนี้อย่างแจ่มแจ้งมันก็เลยไม่มีเชื้อให้นําไปสู่การเกิดใหม่เพราะจริงพบภพบภูมิจริงจริงก่อนนี้เราจะตายอะ่ะ มันสร้างภพภูมิในใจเราบ่อยๆนี่แหละที่เราไม่รู้ทันตัวเองแล้วก็สร้างภพภูมิเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเปนเป็นอะไรก็แล้วแต่เราสร้างในใจของเราเองบ่อยพอมันตายไปมันก็ไอสิ่งที่เราสร้างนี่แหละมันก็นำไปสู่การเกิดใหม่แต่เมื่อเราเห็นตัวนี้ตัดภพภูมิในตอนที่มีชีวิตอยู่ได้บ่อยๆเหตุของการที่จะไปเกิดใหม่มันก็น้อยลง ก็ยิ่งปฏิบัติยิ่งมั่นใจว่าแม้เกิดใหม่นะอห็น ไ, ไห ม, มันก็เกิดน้อยลงนะคือเพราะว่าพอเราตัดภพภูมิตอนในจิตในบ่อยอะ่ะมันก็จะเป็นเหตุทำให้ภพภูมิที่เป็นรูปนะมันก็สั้นลงแต่ก็ประมาทไม่ได้นะบางทีถ้าเรา ถ้าเราเกียดค้านเดินเล่ไปเป็นเดือนเป็นปีก็มันก็ตลับมาเร็วมากนะของเก่าๆก็ทวนกันมาพระอาจารย์ครับแล้วเวลาที่ฝึกผู้ใหญ่เนี่ยครับฝึกประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอย่างในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยครับ เขาก็จะมีเรื่องของการพยายามให้ยึดติดก wow okay, ับความเป็นเจ้าของหรืออะไรอย่างนี้ครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสังคมเรื่องของการผลงานก็จะต้องมีตัวตนร0อยเปซนหรืออะไรอย่างนี้ครับทีนี้จะถามว่าถ้าเกิดในสังคมเป็นกระแสประมาณนี้ครับแล้วถ้าเด็กเนี่ยเด็กประมาณช่วงวัยไหนที่เราจะเริ่มสอนได้ครับแล้วก็วิธีการสอนเนี่ยแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับ มาว่าไม่จำกัดไม่จำกัดวัยหรอกนะแต่แต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนก็เขาก็มีของเก่าที่แตกต่างกันนะคือบางทีมาเจอเด็กเมื่อตอนปีใหม่เจอเด็กคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรม ท, ที่ที่พักทงวิยธรรมเนะเป็นเด็กสัห้าหขวบไปกับพ่อแม่นะแต่พ่อแม่เนะี่ยเคยเห็นตั้งแต่ ตอนที่เขายังไม่มีลูกเขาเคยไปปฏิบัติธรรมดยที่เดมันฟาร์มตอนนี้เขาก็มีลูกก็ไม่ค่อยได้ไปปฏิบัติแต่ก็ช่วงปีใหม่เขาไปที่นู่นมแม่เขาก็กังวลว่าลูกเขาผิดปกติหรือเปล่าลูกเขาชอบถามผู้ใหญ่ว่าเนี่ยหนูเห็นความคิดแต่ก็ แล้วก็ไปถามว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันคือใครมันคือใครมันหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนู <c oughs> <c oughs> คือเขอคือมันมันมีความคิดแล้วแต่แม่เขากังวลคือว่าบางทีลูกนอนไม่ค่อยหลับคือเขาเห็นพวกเนี้ยบ่อยแต่เขาก็สงสัยว่าความคิดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะในจิตในในตัวเขามันคือใครแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เขา เขาก็ถามผู้ใหญ่แต่ก็มันก็ทำให้เขารู้สึกนอนไม่หลับอยู่แต่ที่จริงามาว่าเป็นเด็กที่เขามีของเก่ายเขาก็เลยเห็นแบบนั้นแต่อาจจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะยังทวนไม่ได้ว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันมันยังไม่ใช่เขาเนาะอะไร น, นะแต่ก็เป็นเป็นทางของเขาอยู่มาว่า แต่ละคนก็มีความเก่าแตกต่างกันบางคนก็อาจจะง่ายบางคนก็อาจจะยากหรือช้าหน่อยเนาะแต่ถ้าแนวทางในการฝึกกันมาว่าก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่หรอกแต่เพียงว่าเราอาจจะไปแก้สังคมไม่ได้มากหรอกคือเราแก้สังคมไม่ได้เพราะว่าค่านิยมของสังคมโครงสร้างต่างที่มันมีมันก็มันค่อนข้างยุ่งเนาะแต่ถ้าเราจะทำกับลูกหลานของเราก็ กอน้องไปในทางเนี้ยให้มีการทาทานการเสียสละการมีศินเมือ่องต้นไปก่อนนีฮะส่วนการมีสติรูร้ทันก็อาจจะไม่รู้เด็กแต่ละคนอาจจะใช้การเหมือนการทักการเตือนอะไตัวเองหม่ถึงว่่พ่อแม่อาจจะช่วยตอนนี้หนูเป็นยังไงโกดอยู่หรือเปล่าตอนนี้จิตหนูอยู่ไหนตอนนี้กายอยู่ไหนก็อาจจะใช้การทักช่วยก็อาจจะง่าย ง่ายกวาการที่เขาจะรู้เองแต่มาว่าถ้าเบื้องต้นเลเนี่ยให้ทำอะไรก็พยายามฝึกในการให้เขารู้จักเสียสละบริจาคเสียสละรู้จักให้ไม่รู้ไม่ได้เน้นที่จะเอาเอ น, นี่ยมาว่าก็จะช่วยเป็นจะได้ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานของการภาวนาที่ดีมากแต่ถ้าเราเป็นเน้นให้เขาแข่งขัน เน้นเอาเป็นตัวตนเลยนะมันก็จะยากเพราะว่าบางครั้งยิ่งยิ่งมีมากมันจะยิ่งละยากเนาะต้องค่อยๆทำเอาเดี๋ยวแต่ก็ต้องเผือใจไปเหมือนกันว่าแต่มาว่าอันนี้เราก็ทำให้เป็นเหตุให้กับเขาแต่มาว่าแต่สำหรับคนที่จะปฏิบัติจริงๆอะ่ะ ต่อเมื่อเขาเห็นความทุกในการมีชีวิตอยู่หรือเจอปัญหาแล้วมันเป็นทุกจนรู้สึกว่าการจะมีชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขหรือว่าอยากจะเสพสุขอะมันเป็นสิ่งไร้ค่ามันเป็นสิ่งที่มันเอาเนี่ยนอนไม่ได้เมื่อนั้นนะเขาจะเกิดคล้ายๆเหมือนแรงบนันดาลภายในใจของตัวเองที่จะทาความเพียรเรื่อยๆเนาะไม่ใช่การที่พ่อแม่มาเตือนหรือว่า ใครมาช่วยเพราะว่าแท้ที่สุดแล้วเราจะมีคนช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะมีแรงกระตุ้นภายในใจในการทําความเพียรเนาะเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้สนุกตลอดเวลาเนาะเหมือนเราทํางานอะมันไม่ใช่อเหมือนเหมือนพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเนาะแต่พ่อแม่ไม่ได้เรียนด้วยนะเขาต้องเรียนเอง การภาวนาเองก็เหมือนกันมันต้องผ่านอารมณ์เองนะเว่ามันง่วงเวลามันอะไรนะมันมันต้องเขาต้องเห็นคุณค่าในการปฏิบัติเองมันถึงจะเดินทางต่อแต่เราก็ทำเหตุให้กับเขาเนาะทาเหตุให้กับเขาเท่าที่เราทำได้นะถ้าคนบางคนเ้ามีของเก่าเขาก็ไปได้เร็วเขาก็ง่ายที่จะง่ายที่จะไปทางนั้น แบบนั้นในส่วนของในส่วนของการดูแลคนอื่นเนาะก็ให้เราได้ได้ถือโอกาสที่เราต้องดูแลคนอื่นเนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้เจริญสติกับตัวเองมันก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเอา้ามันกับจะพูดจะบอกจะทำอะไรเงี้ยเราอาจจะยังยังไม่สักนิดหนึ่งอย่างนเนี้ย น, นอย่างนั้นคือ คือจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นอะไรไงก็ตามไน่เราก็ให้ให้เราถือให้เราถือว่าเป็นโอกาสเนะเป็นโอกาสของเราตรงนี้ก็ดีคือเหมือนกับใคล้ายว่าถ้าเรามุ่งไปไปบอกบอกไปสอนคนอื่นหรืออะไรต่างนานานอนีนนน้บางทีผลของการบอกการสอนเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามใจเราคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าอันหนึ่งที่เราได้เลยเนี่ยก็คือ การทำงานกับตัวเราเองอย่างเด็กก็ดีอย่างไรก็ดีเท่าเราเห็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับว่าพ่อแม่จะโมโหลูกอย่างเงี้ยนะก็คือโมโหอย่างที่ไม่ได้อย่างใจเราฉะนั้นคือบอกแล้วไม่ฟังอยากเขาได้อย่างใจหรืออะไรต่างๆตรงตัวนี้ก็คือตรงนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเพราะเนื่องจากมันเหมือนกับเวลาที่เรา ให้คาปรึกษาให้คำแนะนาอะไรไงก็ะตังเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราบอกแล้วก็จะทำตามอย่างเงี้ยเราก็ทุกข์ละอย่างเงี้ยแต่ว่าอันหนึ่งก็มองว่าอย่างอย่างเนียคืออย่างเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเนี้ยก็ขอให้เราได้เหมือนกับว่า ใช้สติใช้ความรู้สึกตัวเป็นโอกาสนะเนาะเป็นโอกาสที digamos, age, not, mind, LA, there, ่เราจะใช้สติใช้ความรู้สึกตัวดูความเป็นไปของกายของใจเราตรงนี้เนาะอย่างนั้นเรารีบร้อนไปไหมเราเหมือนกับมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยต่างๆตอนนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเราแล้วเราสามารถทําได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยในการที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นประโยชน์เมื่อเราส่งผ่าน ความรู้สึกนึกคิดของเราออกไปก็ดีอยู่แล้วยอย่างเด็กนอะอันนี้ลมงพ่อก็นึกถึงนึกถึงตัวเองเนาะอย่างที่บ้านเนาะก็จะเหมือนกับตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กจริงๆก็ได้มีโอกาสใส่บาตบ้างแต่พอเวลาที่มาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าจัดการตัวเองแล้วก็อันนี้หมายถึง พศ2502นะ60ปีที่แล้ว่ะนี่คือเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าจัดการตัวเองให้เสร็จแล้วก็ต้องเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าเข้าโรงเรียนคือตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ป .1 จนกระทั่งถึงมมัธยมปลายไม่มีโอกาสใส่บาทตอนเช้าไม่มีเลย ต้องเรียกว่าคือเนื่องจากมันเวลามันไม่รู้จะเอาเวลาตอนไหนอะ่ะเนาะไปทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั้นนังคืออย่างอย่างสมมติฐานว่าการที่เราอย่างที่พระอาจารย์โน้นบอกนะเพราคือการที่เราจะแบบการที่จะสอนให้เขาไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงสอนให้เขาทากุศลได้ถึงพร้อมอะไรแล้วเองเราก็ต้องอาจจะต้องหาช่องทางเพื่อที่จะให้เขาได้เหมือนกับว่าได้มีโอกาสทําพวกนี้ ว่าโอกาสที่เราจะพาเข้าไปมัดไปว า, ต, า, ต, าต่างๆนานาเลยว่าเราอาจจะหาโอกาสอื่นๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นแบบว่าได้ลองสำรวจดูมีของอะไรที่เกินใช้มีของอะไรที่จะไม่จาเป็นต้องใช้มีของอะไรที่ไม่จาเป็นต้องได้หรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ให้เขารู้จักสนะบ้างตรงนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ดี เรื่องการไม่ทำบาปตรงนี้เรื่องเรื่องศีลตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องบอกเขาคิดว่าบอกได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะเพราะอย่างจำได้ว่าอย่างที่บ้านนี่ประมาณสักห้าขวบเนี่ยก็ที่บ้านจะเรียกมาเรียกมาคล้ายๆว่าบอกบอกเรื่องของการที่ไม่ให้พูดไม่ให้พูดคำไม่สุภาพ ให้พูดแทนตัวว่าผมให้อะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้เนาะอันเนี้ยก็จําได้ว่าเราก็เหมือนกับบอกครั้งเดียวอะ่ะบอกครั้งเดียวแนละ้วเราก็เหมือนกับแม้สิ่งแมดล้อมที่โรงเรียนจะเป็นยังไงก็ตามอะก็จําได้ว่าตอนนั้นในห้องมีแค่สองคนที่พูดแทนตัวเองว่าผมในห้องสี่สิบห้าคนนะแต่เราก็แล้วก็ ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรแล้วก็ในในสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาที่เราได้ยินคําที่หยาบหยาบหยาบเราเราพูดไม่ได้เราไม่ไม่เคยพูดอย่าเงี้ยเราก็มีความรู้สึกมันมันมันอายนะได้ยินก็นรู้สึกอายอย่างเงี้ยเออก็ก็คือคือนี่คือหมายถึงเด็กพอบอกบอกคำสองคาอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่อง่ายแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติตามง่าย คือขอให้เราได้เหมือนกับว่าได้ได้ช่วยนิดนิดหน่อยหนิดนิดหน่อยหแล้วก็ในเชิงอย่างเนี้ยคิดว่าการก่อรูปการก่อรูปขึ้นมาก็จะดีอย่างเรื่องของตัวตนก็เหมือนกันหลวงพ่อเองก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์โน้ตบอกนะคือพอตัวตนมันเยอะเนี้ยมันยากมันยากพราว่าไอ้นู่นก็เหล่าไอ้นี่ก็เหล่าเหล่ามันก็ขึ้นหน้าขึ้นมาใช่ไหมอย่างเนี้ย นั่นนี่คือตรงนี้ก็เวลาที่เราอยู่กับเด็กกำเ น, นิดต่างๆการชื่นชมเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีสตินิดหนึ่งอย่าให้มันพลัดไปในทางที่เป็นคนดีเนาะพลัดไปในทางที่ทำคุณงามความดีเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไม่เหมือนกับว่าค้ายว่าการทำความดีเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรืออะไรเงี้ยเราก็ระวังการให้รางวัลการอะไรต่างๆนาน า, น า, นานน้นี่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คือ โอกาสที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันก็มีเยอะนะแล้วก็คิดว่าผู้ปกครองที่บ้านก็จะมีอิทธิพลกับกับลูกหลานมากแม้แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสเป็นโอกาสแล้วก็มองว่าคือคือโดยหลักหลักที่พระเจ้าให้ไว้โอบาปตปฏิโมกอะไรต่างเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ ใช้ได้เลยแต่ว่านั่นคือเหมือนกับเราเองเราก็ไม่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องรอถึงอายุแค่ไหนยังไงอ่ะพูดได้บอกได้ก็บอกให้บอกให้ฟังบอกให้จำอย่างเงี้ยมีเด็กเล็กๆอยู่คนหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้เคยเห็นเข้ามาตั้งแต่เกิดเนาะก็เห็นเข้ามาตั้งแต่เกิดก็เหมือนกับว่าเวลาที่เขาร้องไห้อะนะ เราก็บอกเขาเวลาที่เขาร้องไห้เหมือนกับอยากได้อะไรสักอย่างก็บอกเขาบอกว่าร้องไห้แล้วลุงฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าหนูต้องการอะไรอะไรไงต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าบอกบอกได้ไหมว่าอยากได้อะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ก็คือไม่ได้ดุไม่ให้หยุดให้หยุดร้องอะไรอย่าเงี้ยต่างๆก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นเขาก็เป็นเด็กที่เหมือนกับเขาก็ หลังๆโตเจอเขาตอนโตหรืออะไรต่างๆนานาเนียเขาก็ดีนะเห็นเขาหลายปีเห็นเ็าหลายปีจนกระทั่งเหมือนกับว่าก็ได้มีโอกาสอยู่เขาสักี่ห้าปีดูเขาก็เป็นคนที่ช่วยเหลือแม่อะไรอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ดีตอนหลังแม่กับพ่อเขาแยกกันแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ทำให้แม่พ่อแม่หนักใจ ไม่เอาใจตัวเองไม่อะไรต่างๆนาน า, น า, นาเหล่านี้มีอะไรก็บอกกันสอนกั น, น, นอะไรต่างก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเด็กๆก็พร้อมฟังเด็กๆพร้อมฟั ง, <c oughs> อฟงตอนไหนก็ได้เอาเลยแล้วเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่เป็นจู้จี้เป็นไม่ไปตามเนะไม่ไปจู้จี้ไปตามว่าเขาทําตามเราบอกได้ออยังหรืออะไรเงี้ยต่างๆนาน า, น า, นานน <c oughs> ตรงนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ เวลาที่เรามีท่าทีอย่างนี้กับเขาเราก็เป็นการที่เรามีสติมีธรรมก็ไปเกี่ยวข้องจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ก็ตามตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ลองนะลองเพราะคิดว่าตรงนี้การใช้สติการใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะ ใช้ได้กับทุกๆความเคลื่อนไหวเพราะนั้นเมื่อเราใช้ได้กทุกๆความเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงวัตถุสิ่งของอนไงต่างๆนาน า, า, าล้วก็มีโอกาสได้ทั้งหมดแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นผลที่ดีแน่นอน